หน่อยผูดเดียวตัวเนี้ยหรือเนียกระเด็นหะเออนี่ น, ด เ, เ, นเดียวเมืบบ่อไหรมันสนุกอบุญนี่ใคมาญาติน้น่อยยังพูดเดียวอุย้ยบวชศสนาเกงมาเียไม่คุณได้มาญาติอบุญมาเฉยบวชบัชข้าวบ้าบวชข้าวบนี่จั ง, งอืมนั่นแหละบุญวัศสนะร้ายเจา้าวิใย์มาญาติแล้บุญเจา้าไม่เน้นพูดเดียวนั่นแหะมันดีร้ายจะบุญร้าย โอ้ยจ่มันหวักสนาข้นแต่บุญไม่ใช่มายาดบุญว่าสันนอกแล้วก็พุทเจ้าของเราไม่เด็ดไม่เด็ดจันทร์ตันนั้นแหละเพราะฉะนั้นมาหาเคลือบหรอ อุ้ยไปทั้งบุญกับทั้งบุญสองใจทั้งบาปกับทัามมา้บาปสรองใจไอ้ผู้สามเกิดถ้าผู้เป็นเจ้าใจพผู้สามคื อ, ด, ค อ, ด, คอดีชั่วกระไรโดดล่องหายใจลเลย ทิปกับทิศรวเมเิดป็นร่วมกันเปนกนแปดเกี่ยวนิจัยที่องไหลจะทิเก็ดกบทางมรวมละเมิดส อ, องไหลจะทิศเก็ดอย่านี้สมาธิกับต่างมันอย่าหนี้ปัญญาขอรอบรูหร้หันพุทสสมกัส่องรูหร้หันเข้าใจเป็นผู้รู้ได้แต่พุทาขึ้น ตาหัวฉงเ่นลายเพราะ่ามันงากมันเปเพียงรับใส่ในเวลาอาชีพมันมาเจ็บมะควยพอมนเจ็บมะควายมันจะรับใส่เะไรเจนจิงว้หอลูกทำไม่้มก็ลูกว่าไรคือรถนะครับรถนะครับท่านดีหน้าไฟล่ลงทุกคนทุกการเนาะไปเมื่อไรล่ะผู้ขับจะตีเพสเพงมันกับผ้าใบร่างกายเขาจะก็บใจอย่างยูปแบไดก็ซ่า เขาไม่เตรียไว้ไหนลุกไวไหนบ่ลุกเขามอม่งเขามกบาลุกเลยเขาฟื้นะบนี้บหน่อยยังซอลุกเขามลุกเลยไ่่ลุกแล้วม่กระโดดหนอกเนี่ยบอภาษาปูอค์คดบอภาาก็มจะจักไม่จะลุกเขาพี่มาหาอะ ลูกนะเขาพี่มาหายว่าอะไรว่าอะไรบอกบเขาาเขาพี่มานำมันซื้ อ, อเพี่มานำมันซื้อกับพิเศษมาหาอเอาว่าหาก็ไปถามพูด ล, ลูก ล, ลูกปัสพากระจอยังไงปัสไ่่หันนือหรอหือว่ามาบอกว่าก็ไปเรีนเลขเราเขาพี่นันซื้อเขาไปอพาพร์ตในบบฆ่าตาย <c oughs> จ, จ, จ, จุดไฟหมดแล้วจับตัว ก, ก่อนเป็นอะไรเลยไปเรื่อยๆปวัดทีอ้าวจุดผานเปื้อนสิเลยเหร เพื่ออะไรแบบมัถ้าตายด้ยวยบ่มมเงั้นซิกขาไฟผ่าละมันตลอดล <c oughs> หายหน้าก็มดพอหายหน้าด้วยเลขมันม <c oughs> กินมนะลุงปู่สามอยกไก่วัดงคงปู่สามบ่ฮะไมใกล้กันบ่ลุงปู่สามเคยจับพรรษาด้กันเคยไปจำพรรษาอยู่กันผุด ผู้แจกต้องหาหแค่ดวงไหน้คนแจกแเาเหรอเธอผูแจกเาทีหลังอู้แจกเอาทีหลังไม่ได้แจกอีกอืไ่ได้อื้ก่อนผยังได้เย ไดล้วคูกนเลยอมดเนี่ยไม่ไาว่ยงให้เช่อม่อนันต์้าศึกข้าศึข้านึกข้าศึกขกาศึกขาศึกข้าศาา้้ากาา้้า กาบลาลงตัวแล้วดาวสัพพะโรควนิมโตสัพสตาปวัตติโตสัพพะเวนะวัติกันโตยุโคโตจะตัวภวสัพพีติโยยิวัตตะมิสัพพะโรภวรักะตุมาเตปวัตตวนตรายโยุคีติฆายุโคยุอภิมาตนาสีจะนิจังุธาราโยจตารวรมาวัตกาติ อายุวโนชุกางพรังด้วยเดี๋ยวพระพุทธศาสนาอพระคุณข้ามามีประมาณก็ต้องมีอยู่ทุกการด้วยเมื่อขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อแล้วคนในโลกอยู่ทุกทุ ก, ท, กทุกสมัยด้วยม่าเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้พอดีที่มาในมาในที่นี้พอดีเพราะทั้งไตรรูปะต้องประสบแต่ความถุกความเจริญในบวรพุทธศาสนาะของพระสมัยพระพุทธเจ้ามียิ่งขึ้นไปทุกทุกด้านในทางที่ชอบจนถึงที่สุดทุกโดยชอบ อยู home, so like, ่ทุกเมื่อถึงไปอาเรียมแม่ใจลูกทายตอนห้าท้ังองค์เนี่ยท้ององค์ลูกทายยากเลยลูกปันแล้วผมห้องภาษาะไรจะรืยากก็ผมลูกกูจะจดได้แค่าะก็ถูกับพระแปลว่าคงจะแปลว่า ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าให้ปัจจุบันกนรกับไปปัจจุบันกับนี่มีห้าพระองค์กับนี่มีห้าพระองค์นโมพุทธายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นโมเมสสะพุทธานังนโมเมพระปสมานังนโมเมสสะปสังขานังแปลว่าไหวพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำประมาณไม่ได้ทุกๆพระองค์รวมไหวเลย นโมเมสัพพพุทธานโมเมสัพพะธรรมาระนโมเมสัพสังขารังแวววายพระพุทธเจ้าทุกทุกองมากกว่าอาสงไขยสงไขรวมมาไหว้ที่นั้นไปชลาความยินดีทั้งปวงในโลก เรื่มใสในพระพุทธก็ทำประสงค์ในใจขณะความเรื่มใสทั้งปวงในโลกคุณของผู้ญาตาทวดก็รวมในคุณพุทธธรรมสง์คุณของท่านผู้มีคุณก็รวมลงในคุณพุทธธรรมสงแล้วคุณพระมหากษัตริย์รัชธรรมนูนตลอดทั้งท่านผู้มีคุณเทวดาเทวดาเขาอินก็มผมไม่ยมพระกานจะตโระกูลม า, ท, าทั้งสี่เพระตั้งใจตระกูะเป็นคิวรวมอยู่ในคุณของพุทธธรรมสง์และเป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธธรรมสงบวกเข้าไปในที่นั้นเหมือนที่เหนือน่ย เป็นที่รวบรวมของเ้ํามทิศชี้ไปในทางที่นั้นเหมือนมหาสมุทรทะเลเป็นที่รวบรวมของน้าห้อยน้องคองเมืองบางต่างๆไร ล, ลงสู่ที่นั้นเข้าใจนะที่เทียงในทางลึกเที่ยงในทางสูงก็เหมือนทิศเหนือดึงเฉลิมทิศเข้าไปเที่ยงในทางลึกซึ่งเหมือนน้าห้อยน้องคองเมืองบางต่างๆไรลงสู่มหาสมุทรทะเล ไม่ต้องใส่ในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าจะขี้โรเหนือโลกอยู่ทุกยทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยใครจะสําคัญหรือไม่สำคัญไม่เป็นปัญปหาเราจะรู้แล้วไม่รู้ประดามอากาศฟ้ามันต้องสูงเราอยู่กว่าเราอยู่เสมอเสมอฉันเลก็ดีคุณพระของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก้อนเดียวกันแม่เทยียนแม่กายแม่ท่อมหาสมุทร ไม่แดกไม่ด ม, มเข้ามาสมุดในใจลูกพระธาตและนอกโลกมารวมกันเข้าบดไม่เข้าคุณ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธธรรมพระสงฆหไม่มีประมาณจะได้เลิกอยู่ ก, กี่กับกี่กันก็ไม่หมดเป็จะยน่นลงมาก็มีมากไม่ที่วางไม่ได้เพราะยัดเยียดแล้วในใจลูกพระธาตและนอกโลกมันมีที่วางเลยจะยน่นลงมาเป็นหนึ่งก็ไม่มีที่วาง จะขยายออกก็ไม่มีที่ขยายเพราะมากก็คือคนของพุทธารรมส่งจะย่นลงมาคนไม่มีที่ย่นเพราะมากเกินไปไม่มีที่หว่างก็ไแล้วจะขยายก็ไม่มีที่ขยายเพราะมากเกินไปก็ไแล้วบุคคลผู้สร้างวันไม่แก่กามาเลย มันก็ต้องยินดีในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แบบบรรจงบุคคลผู้บายเรามีอ่อนอยู่เหมือนตาสนเข็มก็ไม่ได้เห็นพริตตีนี่จะสนเข็มได้ยังไง <c oughs> ผูมีศรัทธาแขกล้ามาแล้วสร้างบุญมีแขก้ามาแล้ ว, ก, าาลวก็เรี่มใส่พระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมอยู่เช่นั้นมัดในแต่เราละฐานมารวมคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมด คุณผู้คุณญาคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณคุณมิตรคุณสหายคุณเธอบทวดาเอ็นพมยมยักษ์อะไรสารพัดก่อนหน้เป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธธรรมสง์คุณพุทธธรรมสงก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระนิพพานก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพานคุณพุทธธรรมสงเราเห็นอนิจจังขณะเดียวเราเคยเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกแต่เป็นโลกอนิจจัง พุทธคมสงฆ์บองต้นคือสุปฏิภันโนพุทตคำสงฆ์บางท้ายคือพร ะ, พระรพรรพรอรหันต์พระอรหันต์สีลัมพว่มสมาคัมพุทธอรหันต์พระเจศกัมพุทธอรหันต์สาวกอรหันต์สาวิาอรหันต์สาวกสาวิาอรหันต์นพุทธะบองต้นขยายออกดีโซดาวัน สัโกพุโถสกัาคัสัโกสาวิาุทาสัโกพุโสัาุทาสกาคสโกุทาพุทโสัพสาวิกาพุทธาภนาคังสัโกพุทโถสัพพตาพุทธาอหรสัลบ ตวะโกพุทธ า, า, า, า, า, า, า, า, าตาสาิกาพุทธาง่ายตาวโกพุทตัวตาวะตาพุทธามวยใ่เจ้่ายพระัมมาสับพุทธะพุทธะชั้นที่หนึ่งพระพุทสมาพระพุทธเจ้า ขัณที่สองพระพันเกศันฑ์ที่สามกระปูมสาวกสาวิตาลงปันคำสอนของพุทธศาสน์เป็นธรมรมจันท์ว่างต้นนับแต่พระสับวันยันตต้นไปตั้กว่านั่นลงมาไม่ได้เอามาอื่น แต่ชาวโลกเอามาเอ่ยมันก็วุ่นมันก็ยุ่งเหยิงกันเราทั้งโลกีและโลกุตระมาปนเปกันมันก็ยุ่งเหยิงกันคำสอนในพุทธศาสนาเรามีโลกีเอ้ยมีแต่โลกุตระที่เอาโลกีมาปนเปก็มีมุตโลกีมีมุตบ้างโลกุตระมีมดบ้างโลกีจะศีลโลกีจะสมาธิโลกีจะปัญญาบ้าง ไอ้ที่แท้คำสอนพุทธศาสนาเหนามีแต่รอพุทธละทั้คือทั้งรับรองแต่สุขเดชโนเป็นต้นไปนับทั้งเพศหญิงและเศชายด้วยจำกว่านั้นลงมาไม่ได้รับรองเข้ามาสำชิดชิโกเป็นผู้เห็นเองก็นับเอาแต่พระสาวดามเป็นต้นไปเช่นพวกที่เขาไมา่เลื่อมใส่พระพุทธศาสนาเหนเขาเอาลู่แต่ว่าเขาไม่เลื่อมใส่พระพุทธศาสนาอยู่จะไปถือว่าสำชิดชิโกมันก็ฟันเสือเกินไปนี <c oughs> ประกัศตังก็เหมือนกัน เห็นเฉพาะตนคนนั้นกันารพระมัจจัตนตบางต้นของพผู้เทสนาไม่มีแต่ทุกขเทตโนตอนนั้นเป็นต้นไปทุกิพทโนไม่เชืด่ดายอยากร่วงละเมิดสินห้าไม่เชืด่ดายดอยากจะล่อองวงมเอาไปงมุขไม่เชื่อายอยากจะถืออยู่ยงวงกับพันไม่เชื่อายอยากจะถือเวทมนตร์ น, น, าานักคาถาในความมายอันเดียวกันไม่เช่ดายอยากจับ จองเวนท่านผู้ใดโกงจูแต่ไม่เกกองเวรอย่รู้จักจะปัญโหน่เมืม่อเชอได้ยาจะถือศาสตราอื่นอีกด้วยไม่เชื้ออยากจะ้าขายสพายาร้าขายเนื้รนกค้าสายจะเป็นเนื้อสัตว์่อตัวค้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายนือ้อมาข้าขายยาทธการค้าขายห้ายอย่างนี้รู้จัปัญโนไม่ใช่้อได้อยาก ร, วร่วังระมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้อยากร่วงะระมิด สิ่งนั้นก็ไม่หนักใจส่วนโลกีเอาเป็นประมาณไม่ได้คนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยทาสามอย่างหรือสองอย่างในอนิยต์ขออห้หมายถึงประโสดาวันเท่านั้นตามขอนั้นลงมาใครเป็นผู้เรียนนโมโม่งต้นจบ ก็คือพระโสดาบัเรียนนโมเบืต้ต้นเรียนจบแท้ๆคือพระอรหันต์พระอรหันตเรียนนโมจบแล้วนโมพระโสดาบันเป็นนโมชือนอ่นอกน้อมนอกน้อมมาล่วงละเมิดชิ้นท่ามาล่วงละเมิดอาบายามกุกดังที่ว่ามาแล้วนะไม่ใช่ได้กับกระถือศาสนาอื่นอีกด้วยเพราะเห็นชัดว่าพระพุทธศาสนะเนื้อโลกทังง้งปวงแล้ว มีทั้งมนุษย์สมบัติเต็มภูมิมีทั้งสวรรค์สมบัติเต็มภูมิมีทั้งลมสมบัติเต็มภูมิมีขั้งนิพพานสมบัติเต็มภูมิพัฒนาไปแล้วทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติลมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวไม่สงสัยเลยสิ่งไหนที่ไม่สงสัยสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจก็สนุกเดินทางตรงไปเลยจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ซ้ม อ่าปากินลงเหมือนชมพูกระ ก, ก็เหมือนชมพูกระ ก, ก็าตามจะถือเลือดมนกละคาถาสี่ไหนๆก็าตามถ้าเทนาอยากจะถือศาสดาอื่นเทนายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันเทนาอยากจะถือเลภาภาภาือดดีงามดีเวทมนคนและคาถานอกวัตพุทธศาสนะเทนายอยากเจะเล่นอบายามุขเทนาอยากเปลืองละเมิดเทน่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบัน จะภานาเก่งสักเพียงไรก็ตามจะอดอาหารจนคุ้มผมคุ้มขนหล่นก็ตามจะบวชล้านพรรษาก็ตามก็ยังไม่ถึงพระโสดาวันถ้ายังมีใจปฏิพัติกับเล่หกับผากับทิรษทานนักขาภายนอกมันไม่ใช่พระโสดาวันมันก็เป็นพระโสดันโสดาวโสวภาพเสน่จริงแถวนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นถ้ามาอย่างนั้นเนี่ย การปฏิบัติก็สุ่มสี่สุ่มห้ามีแผนที่อยู่อย่างนั้นทางพระพุทธศาสนาะพวกที่ถือเวทมนต์กลราคาถาอย่างนั้นอย่างนี้เล็กไหลเล็กหกลาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันยังถือสศียรศาสตร์อยู่พระโสดาบันไม่ถือสศียศาสตร์เลยเก็บป่วยมาก็หายามารักษาตาหายกว่าหา ไม่หายขอยอมตายคาบุญผลบุญของตนมีพุโทโธหรือธมรมูสังโฆทานศีลภาวนาเป็นต้น น, ต น, นั่งหนึ่งหนึ่งวดล้านภาษาก็ตามแต่ยังถือเวทมนตรราคาถานภายนอนถือศิลปศาสตร์ต่างๆมันก็ไม่ใส่พระโสดาวันชุบพัปโนโยจดยยะสามี ใชนั้นเป็นเศษบุญของโลกอนุตตรั ง, รงเป็นเศคุณแลบเ็ษตังโกรกัสตัสเศษถ้าถึงว่าโสดาวันแล้วสักทาคามีนาสามีอราหันต์ก็เปิดประตูปไปเอไม่ต้องดิ้นดลเท่าใดก็ได้เพราะไม่สงสัยจะแวะซ้ายและขวาไม่สงสัยจะถอยหลังอีกด้วยยางเกิดนานก็อีกเก็ชาติก็เข้าสู่ในคามยางที่สองต่าลงมา ก็เด อ, อีกสามชาติอย่างที่สามก็เกิด อ, อีกชาติเดียวเขาเข้าสู่พระนิพพานไปสักเนี่ยเรียกว่าโลกุตระเจ ต, ตนาโลกุตะระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาแล้วโลกุตระธรรมเขาเข้าถึงประตูพระนิพพานแล้วห่วงเนี้ยเขาถึงห่วงพระนิพพาเนี้ย ถ้าไม่อย่างนั้นไงบางท่านก็สำคัญว่าตนเป็นพระสูดาบันแต่ไปเล่นเลขเล่นผานอนฝันหาเลขหาผาอยู่อีพ่ออีแม่เอ๋ย ม, มันก็ไปแท้ห <c oughs> น้าโมต่ำกอดพระโสรด <c oughs> ววันลงมาก็น้าโมเลขน้าโมผาน่าโมบัตรน้โมเบอร์น้าโมอยู่ยงคงกระพังไปซะทีนี้ มาท่านก็เข้าจะตายแล้วไปหาพระเล็กไหลแต่ออกมาจากสำนักหลวงปู่มัน่นเราก็น่าสังเวชเหลือเกินบางองค์ใครอยากเห็นเล็กไหลก็คือใจนี้เองอยาให้มันไหลออกนี้จากพระพุทธธรรมประสงค์ให้มันไหลปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์หาเล็กไหลทีภายนอกมาแลบเอารถเอาเรือกเา พวกเนี่ยมืดฉาิทิศเหนอือไม่ถึงกระพุทธธรรมพระสงฆพูดน้อยไหมพออธิบายพูดร้ายเขาโกรธให้ถูกไหมจ้องแบกเอาโกรธไปขายให้พระนิพพานซักในโขกมันขายไม่ออกใช่ไหมคนทุกวันนี้ห่างเหินจากศีลธรรมมาก บางท่านก็บอกว่าโรกเจริญก็จเจริญจากกิเลสนั่นเองอีอพ่ออีแม่เออธรรมะไม่จเจริญพระพุทธศาสนาตัดลมต้นไฟตัดไฟต้นลมแล้วเพียนเกี่ยวกับราคะอย่างนี้พระบรมาาศาสดาก็ตัดไฟต้นลมแล้ว ตัดลมต้นไปแล้วให้พิจายาอาถรพ์อาุรังเนิ่มเพื่อบันเทาราคะให้เบาลงถ้าโกรธจักก็ให้แผ่เมตตาตนตนก็ไม่ชอบมีผู้เบียดเบียนคนอื่นท่านอื่นก็เหมือนกันต้องแผ่เมตตาสักถ้าหลงก็ให้พิจายาอานิจังทุกขังอนัตตาสักเพราะใดใดร่วนไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ผู้เลื่อมใสในผู้ศาสนาสิ่งเดียวไม่ยอมเลื่อมใสอันรักที่อื่นก็เรียกว่าบรรเทาความหลงหลงมากแล้วเพราะรูตามเป็นจริงปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหามายมากเห็นอานิจจังคณะเจ็ดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะไม่รอดอานิจจังเห็นทุกขณะสิ่งเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะาด้วยกคนทุก เห็น ส, ส, สิงที่ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาเมื่ออยากให้แก่ก็แก่ไม่อยากให้เก็บก็เก็บไม่อยากให้ตายก็ตายเกิดขึ้นแล้วก็แายควรแล้วแตสลายไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของท่านเพื่ออะไรอันนี้พอเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเมื่อเห็นโลกเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วความทะจะอทะยานในโลกก็ในนี่ทุกสมุทัยก็วางไปเองมรรคในโลกก็จเจริญไปเอง มักก็ทําให้ตัวให้มีไปเองนีโรคก็ทำให้แจ้งไปเองไม่ใช่ว่าจเจริญทุกข์กะเจริญสมุทัยก็จเจริญมักจเจริญ น, นิโรธอันนั้นมันเรียงแบบนี้ไม่ถูกคนเราปฏิบัติเพื่อไม่ไมเพื่อคนทุกข์นะว่าท้าทสารมันก็เสียเที่ยวทําไมจะเป็นอย่างนั้นพระสร้างเาลมีแก่ตามมาแล้ว ผู้ยำยำบาลามียังอ่อนอยู่ก็อนาคตการนั่นเทิออนาคตการนั่นเทิอผู้บาลามียังอ่อนดอกบัวเสียวในซุกขั้งพุจกาลมีเครั่องนี้มีหรือไม่รักมันก็มีอยู่ดอกบานกอบานเต็มภูมิดอกตูมก็ดูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิมีอยู่ทุกทุกทุกสมัย ทุกการของโลกด้วยบางท่านก็พูดว่าดิฉันทําจิตไม่ว่างถ้าจะฆ่าจะทํายังไงหลวงปู่เออถ้าทั้งการว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่างถ้าเห็นชัดว่าจิตเป็นกรสักว่าจิตผู้รู้เป็นกะสักว่าผู้รู้ตนเป็นกรสักว่าตนตามสมมุติจะแยกออกจากกัน จิตก็ว่างอยู่นาที่นั้นเองเออเวทนาก็ไม่ว่าข้ามเวทนาไม่ได้ข้ามนะถ้าําคัญเวทนาเป็นตนจนเป็นเวทนาตนมีในเวทนาเวทนามีในตนมันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สงคัญเวทนาเป็นตนจนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาอยู่นาทอนั้นเองเห็นไหมพอเรามาศาสตราจริงยืนยันว่า เราลูบลูบตามเป็นจริงของรูปแล้วรูบนามตามเป็นจริงของนามแต่เราไม่ติดอยู่ในรูปและน้ำด้วยเรารูบสังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารูบวิสังขารตามเป็นจริงของวิสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองด้วยเราลูบพระเนปทานตามเป็นจริงของพระเนปทลนเราลูบสมุติตามเป็นจริงของสมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติและไม่สมุติด้วยเพราะเราไม่สําคัญตัวจะอยู่อยู่ในที่ใดๆแล้ววิญญาณมาที่ส้นสนเที้ยของเรา ก็ไม่มีเราพูดสมมุติก็ตามสมมติตรงๆเราไม่ยึดถือว่าสมมติเป็นเราเราเป็นสมมุติเราพูดไม่มุดเราก็พูดพูดเรื่องไมมุดต้งโต้งเราไม่สำกัญว่าเราเป็นไมมุตไมมุดเป็นเราเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึิงไม่มีเราพุทธศาสนาทละเอียดละอ่อมั้ยหน้าข้างก็ไปเจอดวงแก้วสนะถือเอาดวงแก้วเป็น พระนปาลก็เพราะเห็น่ะก็เพราะเห็นอยู่ในชั้นนั้นตายทาเห็นดวงแก้วแล้วก็ไปเกิดพม่าโลกที่มีลูกยังไในฝนทุกบาท่านก็บอกว่าถ้าพมานาดีก็ไปเห็นนรกสิก็ไปเห็นสวรรค์สินี่เขาเห็นแล้วเขาเห็นอ น, นิจจังเขาก็เห็นนรกเขาเห็นเ จ, จ, จตเกณฑ์ใจโลกธาตแล้วเขาไม่เอื้อเพื่ออยู่ในอ น, นิจจังเสียนยี้วมาท่านก็บอกว่าโลกปู่ อทำศาล า, าสวยๆทำศาลาแบบทาวัดสวยๆอย่างนี้ได้ไปได้จะไม่ไปกิดกีดหในที่ไม่เป็นเปรตพระวรดแบบนี้เออจะสวยสักเพียงไหนในใจ้โรกธาตุมันก็ทําขึ้นจากธาตุดินน้ําไฟลมทางลงไปหาดินน้ำฟลายลมดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้าไฟเป็นไฟลมไปเป็นลงสวงสวรรค์มันมีขั้ง วิมานเงินวิมานทองถึงอย่างนั้นกุณอยู่ใต้อานาจอนิจังเมื่อเห็นอนิจังชัดมันก็เห็นสวรรค์หมดมันก็เห็นภพมรรคหมดมันไม่เอื้อเฟื้อไปแล้วเมื่อไม่เอื้อเฟื้อมันก็เย็นดีดิ่งไปในพระนิพพานเสียงเดียวในในในโลกล้วนอนิจังได้นในโลกล้วนทุกขังได้นในโลกล้วนอนัตตา อย่าส ง, งสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยขอให้เธอเห็นพร้อมกับลงหัวใจถ้าออกพืนถ้ามาอย่างนั้นต้องการเห็นเวลาไหนก็เห็นเรานึกขึ้นแล้วก็พูดแล้วก็ล่วงไปก็มีทั้งอนิจจังทุกขรังอนัตตาสมุทัยอยู่ในตัวด้วยแต่และคําพูดแต่และนึกแต่และคิ ด, น, คดนึกคิดแล้วก็ล่วงไปล่องไปล่องไปล่องไปล่องไปนึกอีกคิดอีกก็ล่วงไปล่วงไปล่องไปวนไปวนมาอยู่ก็เกิดดับอยู่มาละวางไม่ได้ กายสังขารว่าจีสังขารจิตตา ส, สังขารเกิดดับอยู่นะแต่ความไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ต้องการรู้ถ้าต้องการรู้เวลาไหนก็ต้องมีอยู่เพราะมันเป็นของมีอยู่มันก็ต้องรู้<ม>นี่ค่ะพระเนราลมันจะเกิดได้ดับไปไหนใครเป็นผู้พูดอย่างนี้ใครเป็นผู้ฟังเนี้ก็ถึงคือสังขารจะกองทุกคนผู้ฟังลูกขันนามขันจนผู้ฟังถ้ามีกิเลสกิเลสทรพยุศอยู่ก็ยืนยันว่าเราเขาสัตบคุคคลถ้ากิเลสไม่มีก็ไม่ยืนยันว่าเราเขาสัตบุคคล ถ้กิเดสไมีอยู่ตาก็ยืนยนันว่าเราว่าเขาว่าตัดก็บางคนมีอย่างงั้นส่วนเราเขาสักบางคนก็พูดตามธรรมดาของสาวโลกเขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีสิ่งที่จะโพูดอันนั้นจริงถูกมาพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้เลาะผู้รู้ไปจนไม่มีเที่ยวหมายถ้ามายอยู่ก็พอเหมือนเหมือนก็พอหมืนหมุน น้ำพายมาแค่ผูรู้น้ผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายเมื่อวิญญาณไปที่สุธิไม่มีที่หมายเสียงใดวิญญาณก็ดับไปณนะที่นั้นเองวิญญาณดับไปก่อนนามโลกมาดับไปณนะที่นั้นเองเพราะไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์ที่ศูนย์ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสมมตุติก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เป็นของจริงอยู่ตามธรรมชาติดินเ อ, อ๋ย ตาเอา๋ยหูเอ๋ยจมูกเอ๋ยลิ้นเอ๋ยกายเอ๋ยเธอจะเป็นสมบัติของพญยายกิจธาตุใช่ครับเจ้าค้ามันก็ไม่ได้พูดมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดด้วยไม่น้ำซ้ำําใจไปใส่ชื่อหรือนามให้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็กลับมาใส่ชื่อดูนามมาตนว่า ใจใจใจใจแต่เมื่อทั่วเท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใ่ไม่ใจมีคุณเป็นอาหารแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําผึดถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นอาหารเป็นมีคุณเป็นอาหารใจเป็นท่อนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทำถูกถ้าทำผิดก็เป็นห่อนทางลงสู่นรกเหตจฉะนั้นท่านเชื่อมันแบบนี้ รูปจิตเดชะสิทธิ์นิพพ า, น, า, กก น, า, านนิพพนตางหาเกจิตสิทธ์ต่างกิจต่างหาเพราะนิพพานไม่ใช่จติตไม่ใช่เกจิตถ้าทาถูกก็เป็นทุนทางเข้าสู่เนาในพานเท่านั้นใกล้ไปใส่ชื่อหรือนามให้ตาหูจมองรื่นกายไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็กลับมาใส่ชื่อหรือนามมาตนว่าใจใจใจใจใจเสียไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจไม่ ใจมีคุณเป็นอาหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทำผิดถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นอานั้นเป็นมีคุณเป็นมหารใจเป็นท่อนทางเข้าสู่นิพรานถ้าทำถูกถ้าทำผิด ก, ก, ก็เป็นท่อนทางลงสู่นรกเหตุฉะนั้นข่านเชื่มั่นแบบรูปจิตเดชะสิกนิพพานนิพพานต่างหาเกเดชะสิก ต, ต, ต, ต่างกิจต่างหากนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เดชะสิก ถ้าทำถู ก, กเป็นหนทางเข้าถูกเขาจะผ่านเท่านั้นนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ใจผู้ฟังและผู้พูดปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เว่าถ้าท้องสารปัญหาไม่มากที่มันมากอยู่ก็พระมีกิเลสมากสังขารโลกโลกคือสังขารนักโลกโลกคือมูสับโภกาโลกโล ก, โลกคือแผนดิบมนุษย์โลกได้เสียโลคที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แก่สกาวมาพระชนะหกชั้นพรหมโลกได้แต่รูปกพะผมสิบหชั้นและรูปกระผมสี่ชั้นโลกทั้งหลายย่นลงมาเป็นสังขารโลกสังขารแบ่งเป็นสองโลกแบ่งออกเป็นสองอุปาทินาคะสังขารสังขารเพียงใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารเพียงใจคลองสังขารทั้งสองนี้มีภาพพจเป็นทุกข์สังขาราประมาทุกขา สังขานเป็นทุกอย่างยิ่งเมื่อสังคัญเป็นทุกอย่างยิ่งทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันในโลกทั้งปวงแล้วความยินดีในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงเมื่อความยินดีในโลกทั้งปวงห้ามเบรกลงตัณหาและสมุทัยก็ห้ามเบรกลงมักก็จเจริญไปในตัวนี้โลกก็ทำไม่แย่งไปในตัวใ้ช่ไหม่ เมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปูงเมื่อยินดีในโลกทั้งภูมอวิชชาตัญหาอุปทาก็แต็ก็ะจึงเมื่อต้องเรียงแบบก็ได้เมื่อความฉลาดเหนือความหลงไปแล้ความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อแสงสว่างเหนือความมืดไปแล้วความมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้แสงสว่างเสริมด้วยปัญญาไม่ม ปัญญาส่องสรุุภูเขาเลยเห็นอ น, นิจจังก็ส่องสรุุภูเขาแล้วภูเขาแตกสลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็แตกสลายเป็นทำแท่งเมยมากเมย์ น, นิดเดียวที่มีมากก็เพราะวัวหายคำว่าโวหารก็หายลงมาหาใจใช่ไหมกามากก็มากออกไปจากใจทหาระหารลงมาจากใจ เชือกเส้นเดียวยาวเหียดเพราะทั้งใจโรคธาตุก็ยาวเหยียดออกไปจากใจสมมุติจะมีมากก็มฆออกไปจากใจถ้าย้อนลงมาก็ย้อนมาหาใจเป็นเอกะสมมุติสุขที่ใจยิ่งมุดก่เหมือนกันสังขาร่ากก็มาออกไปจากเอกะสังขารในปัจจุบันถ้าพระสังขารย้อนออกขยายออกไปจากเอกะสังขารถ้าพระทุกย้อนออกไปจากเอกระทุกขย้อนลงมาคงลงมาหาทุกขน่เมื่อเห็นปัจจุบันชัดในตอนไหนไหน อดีตอนาคตตอน น, นั้นก็ไม่สงสัยเราเห็นโลกในปัจจุบันชัดโลกอดีตโลกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถูกไหมให้พรกันแล้วเอาแล้วนะจริงมาจากไหนวา น, นี่จะไปไหนของอยนี้เลยฮะฮะฮะนักปูดกเออนักปูดึเกดเกง่งทางเศรษฐศาสตร์เนอะเราไม่เกง่งทางเศรษฐศาสตร์ ไม่เกิดการศัยศาสตร์เราถือบุทธศาสตร์เราไม่ถือศัยศาสตร์ความดีเกิดขึ้นที่ใจเพอใจทาดีความชั่วก็เกิดขึ้นที่ใจเพอใจทาชั่วกําไรใครก่อเพรจิตใจเ็นผู้ก่อขึ้นพระโธธรรมโทั้งโกรับเพื่อพระนรพนปัญหาไม่มากรับเพื่อบูชากิเลสปัญหาก็มากผู้ให้ก็เมือนกันผู้ให้บูชากิรตสปัญหาก็มากผู้รับบูชากิเลสปัญหาก็มาก ผูให้เพื่อพระเนรพลผู้รับเพื่อพระเนรพลปัญหาก็ไม่มากอีกเพ่อยังไงเอยทําไมจริงยินดีในะ พ, พระเนรพลเพราะเห็นโลกทั้งปวงเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วไม่มีใครจะมาโกหกพกรำมลมเลยเห็นพอ่องกัลมหายใจเขาออกก็เห็นเห็นพอ่อของเขาิษหูพิบตาก็เห็นเห็นพอ่อเขาขณะกิที่พูดขึ้นก็เห็นพูดขึ้นเขาร่วงไปพูดขึ้นเขาร่วงไปก็คืออันนี้จังอนะนรกอียดใช่ไหมในโลก มันก็มีแต่รูปธรรมนามะธรรมรูปประธรรมนามะธรรมกับรูปขันนามะขันก็มีความเดียบหมายอันเดียวกันรูปประโลกนามะโลกก็มีความหมายอันเดียวกันรูปประท่านนามะท่านก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นจากกาแฟปวนี้แต่หายใช่ไหมย่นขันห้าลงเป็นสองก็มีรูปขันกับนามข่ำขันรูปประโลกนามะโลกก็ว่ารูปประธรรมนามะธรรมก็ว่า และทประ Beni, สานสีก็ย่นลงเป็นสองที่กายน์กายเป็นอารมณ์ว่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพันธนาที่กานาเวสนาคือสุขทุกและไม่สุขไม่ทุกข์เปนอารมว่าเวสนาก็สักว่าเวสนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเวสนาุพันธนาที่กานาใจที่สร้อยหวังหรือผองแพ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายะเป็นเพียงจิตานุพันธ์นา พิจนาธรรมคิดเป็นกุศมและกุศมันเกิดกับใจเป็นอารมว่าทำก็สักว awesome. ่าทำไม่ใช่สัตวูบุคนตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานวัฒนาพิจนากายเวชนะจิตธรรมลงสู่อนัตตาอขันธ์หก็พิจนาลูกเวชนาสัญญาสงสารวิญญาณลงสู่อนัตตาออตาหูจมูกเลี้ยกายใจคืออินทรีย์พราะว่าคืออธิษฐปนียาสูตรก็ว่าคือสูตรของตาหูจมูกเลี้ยกายย่นลงมาก็เป็นสองท่านั้นตาหูจมูกกลิ่นกายย่นลงเป็นลูกขันธ์ลูกปโลกก็ว่าลูกประทมก็ว่า ใจย่นน้องเป็นนามขันนั่นก็มีแต่รูปกำนามเท่านั่นอยู่ในในใจโลกธามถ้าไม่หลงรูปหลงนามแล้วก็พ้นไปเท่านั้นอีพ่ออีแม่เอ๋ยถ้ามายืนยันว่ารูปนามเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็กล้ามทะเลหลงไปแล้วเห็นชัดจากความสงสัยวิชารณ์หาอุปทาแต่ก็เจอไม่ต้องเรียงแบบ มาพระจ้าสมุปปาบาทอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับเวรยานดับนามรูปดับอายตนะสัพเพเวทนาตังหาอุปาท า, ษ า, านภพธาตุเทรามานละขอเขาไปเกลทุกขโทมนัสอุปายาดดับดังนี้ไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ที่ท่านเรียงท่านเรียงทาไมเพื่อให้สมภูมิ์พสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้สมภูมิ์ข้ารักมวยเอกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเช่นพระพาริยะอย่างนี้ เป็นศาสตร์คามรู้เป็นศาสักว่ามเห็นเนี่เออครับพอเนี่ยท่านตระเลียงปฏิจจสมบัติบี่ไหนเพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วยใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นดอกบัวมันจะบานเนี่ยพอได้รับแสงแดดพระอาทิตย์มาบานเลยในเวลาเช้าตูนะ่แสงเงินแสงทองที่บานรับเลยนะเพราะสร้างบามีแก่กล้ามาเลยเหตุ น, นั้นจึงว่าทําแต่ละวับาทส่งต่อพระิพานหมด มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างมาแล้วแก่ก้าปิดกันกันกันเดียวกันบางคนฟังถึงไตรสนาคมบางคนฟังก็ถึงพระโสระบังบางคนฟังก็ถึงสกทาพาหมีนาคานบางคนฟังก็ถึงพรลานแล้วก็ทหอร์พระอรมศาสศสาสน า, ศาปเทศอยู่ที่ถ้ำสุก ร, ะระขาตาภูเ ข, า ค, า, ข, า, ข า, าคิจสกูดที่คณะขะอักฤษคณะโคตนั่งฟังอยู่ซึ่งหน้าภาษาที่บร นั่งฟังอยู่ข้างหลังทํางานพัดพรบรมศาสศดาเพื่อมาให้รอ้อนคงจะเป็นฤ ด, ด, ดูร้อนฤดูร้อนทีแรกก็เทศต่ําระหสูงเทศสูงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเยนยาเป็นของไม่เที่ยงเน้อลุดเหมือนดังหลุดเหมือนดังหัวฟีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปพระชายาบทํางานพัดอยู่ข้างหลังที่คณะอคุอเวทคนโคดนั่งอยู่ซึ่งมากถึงไตรสนาคมเท่า น, นั้น พระชายาวดเอาพหารไปกินแล้วอ่ะนะเพศกันเดียวกันเห็นไหมนะนักทําเอกนี่ไหมอยู่นี่ลุกเงอขึ้นใครเป็นนักทําเอกนะไม่ตรงนี้นะทําไมไม่บอกโกหกทำไมนีม่ไรอองเก่งว่าจะเป็นเอกตาเดียวกันอะไรไม่บอกนะนักทําเอกนี่ว่าเอกกันนี้บาสน่ะ ถ้าพูดกันหนึ่งก็ใจพูดกันสองก็กายกับใจพูดกันสามก็กายวายกายใจพูดกันสี่ก็อริยสัจ ส, สี่สิ่งไหนที่สามารถรวมเป็นหนึ่งก็รวมลงซักสิ่งไหนที่สามารถรวมเป็นสองก็รวมรัฐบาลพวกคนทุกปัญหามากรัฐบาลอันอื่นปัญหามากเขาห้ามแ่พูดมากกันที่ง่านะ <c oughs> ่นี่ใหพรนะที่ ยะทาวาริวาฮาราปริภูรีาเอะเอาหนังอมาแจกไว้เอาไปอ่านเล่นไปมาแจกเ่ยะทาวารีวาฮาผุราปิภูรินตีสาคารังอวิวาตุชนังไปตาณังอภคกปติปิชิตังปิชังตุมังจุปมิววาสุนิชตุสุสเปตุเรนตุสังสัปาจันโทกันาลาโสยะท้ามณิโสเทระโสยะทาสัพพิโยยวาชนุสัพพสุโคสัพพิโยสัพพโลกีนัสนตุมาเตภวัตตันตระโยสุสีทีสาโยโภ เพราะาอภิวาทนาสีรทธะนิจังวุทธาาชานิโดกจตาโรธรรมาวัชามติอายุวันุไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้นี่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อนี่ก็มีเนือลงอยู่ทุกการทุกเวาทุกขณะด้วยแม้เป็นอย่างนี้พวกเราหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี่ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวาระพระทธศาสนาก็งพระสมเด็จพระพุทธเจ้าทยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยด่วน สี่งทุกเนื้อไม้เลื่อน